จัดการคนอื่นแต่หนูใช้จัดการกับควา ม, วามกิเลสของตนเอง<ะ> ค, นคนที่มีปฏิพันธ์ตรงนี้ว่องไวเนี่ยจะสามารถจัดการกิเลสไม่ว่ากิเลสจะมาในหน้าตาแบบไหนจะมารูปแบบไหนมาแบบปฏิกิริยายอย่างไรสามารถจัดการได้หมดเลยจะมาในแง่ของความจะมาในฐานะของโลภของโกรธของหลงเนี่ย สามารถจัดการใน ห, หมวดเนืปัญญาสามารถจัดการเขาเรียกปฏิภาณใช่ไหมมีเนื้อให้พรออายุหมายถึงอิทธิบาทสวันณะหมายถึงศีลสุขะหมายถึงปราโมทย์ปีติปัสสติสุขสมาธิโพคะหมายถึงภพมิหารสี่พละหมายถึงกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาปฏิภาณปฏิภาณในการที่เป็นความรวดเร็วในการละความโกรธได้เร็ว ละความหงุดหงิดได้เร็วละความท้อถอยได้เร็วละความหดถูได้เร็วละความฟุ้งซ่านได้เร็วละความเห็นผิดได้อย่างรวดเร็วเพราะเกิดขึ้นมาปุ๊บละทันทีท่านหนุนี่คือปฏิพานเร็วมากเร็วไหมตัเนี้ยเพราะเกิดปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีและจัดการมันได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะมันจะคะมนจะมาจะขัดขวางความคิดของเราในการที่จะมาขัดขวางไม่ให้เราทําสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่มุ่งหวังไว้ปุ๊บเนี่ยเราจัดการ ได้ันดีเลยโผล่หน้ามามเะลรจัดการก็ดีเลยใช่เงี้ยเลยปฏิพานคือตัวนี้เขาบอกรวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่าพอมีใครโกรธแล้วปุ๊บแล้วจัดการคนนั้น <laughs> แล้วโกรธได้เร็วเหมือนกันอันนี้ไหมจัดการตัวอ ง, <laughs> ตองจัดการตัวเองได้เลยใช่ไหมอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเวลา <c oughs> มีคนมาหาบอกโกรธพุทธเจ้ามากต้องการมาตำหนิพุทธเจ้า ฆ่าอะไรได้ถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรได้ถึงจะนอนก่อนเป็นสุขพระเจ้าบอกฆ่าความโกรธจะได้ถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธจะได้ถึงจะหลับเป็นสุขเนี่ยทันทีเลยใช ห, หรืออย่างมีคนที่ไปบอกว่าบอกว่าสิ่งทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าไม่ชอบใจสิ่งนั้นไม่ควรเกีย่ยวกับพระเจ้าทั้งหมดวเวลาพระจะมาถามตระหนักพระเจ้านี่ที่คณะขาเ น, นี่ คือทีคณาการพูดคํานี้เพราะว่าท่านไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าอไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าไม่ชอบใจที่เอาลุงของตนท่านมาบวชเป็นหลานภาษาที่บวชในทีคณาการเนี่ยที่สงสัยประโยคน์เนี่ยสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าสิ่งนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดก็คือไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าล่ะเดียวพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นความคิดของท่านเช่นนี้ก็ไม่ไม่ควรไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ควรชอบใจแก่ท่านด้วย ทังนั้นความคิดที่ไม่ชอบก็ไม่ควรแก่ท่านด้วย<ม>อทิฏฐิที่ไม่ชอบใจพระเจ้าเนี่ยความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านด้วยพ อ, อเห็นยยะสไหมเพราะว่าไอ้เจ้นี้มันขัดเครื่องอ่ะเอาลุ่งกูไปบวชจริงๆอ่ะเนื้อหาสาระมันเป็นแบบนี้เพราะเรารู้ทิฏฐิประเภทนี้จะเป็นแบบนี้ อ๋อเขาไม่พอไม่ไม่ชอบไม่พอบใจไม่ชอบใจว่าโอ้รุงของท่านไปบวชทำให้ตระกูลเขาจะหมดทำไมเขาไปไปตําหนิซะเลยบอกว่าสินทั้งปวงที่ไม่ควรเกียรติข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดพ้าพเจ้าอ้าวทั้งนั้นความคิดเช่นนี้ก็ต้องไม่ควรเกียรท่านด้วยจริงไหอความคิดแบบนี้ความคิดไม่ดีนี่ จะให้ความคิดที่ไม่ดีก็ไม่ควรแก่หนูด้วยฉะนั้นหนูต้องจัดการอะไรจัดการเออจัดการความคิดที่ไม่ดีไว้ก่อนไม่ใช่วะใช่ไหมไปแล้วฉันไม่ชอบใจเก้าอี้นี่เลยเขียนที่ไรแล้ไม่ชอบเลยไอ้ความคิดที่ไม่ชอบก็ไม่ควรแก่หนูด้วยหนูต้องตัดความคิดที่ไม่ชอบเลยทิ้งไปแล้วจงมองสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาถ้าไม่ควรด้วยปัญญาก็จะแก้ไขก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรไม่ชอบใจด้วย ตัญหามาน่าทิถี <instant> <squirrel> จริงไหมเอออย่างนี้นี่ไงปฏิพาณปฏิพาณเป็นแบบนี้แก้่ะมันจัดการไอ้ความเห็นที่นี่ยปฏิพานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าชราระกิเลสตนเองได้หมดแล้วพระเจ้าก็ใช้ปฏิภาณของพระองค์มาชาระกิเลสของทีาคณะาทีาคณะขโอ้สัตธาตั้งใจวามบรรลุ<า><ส>เป็นพระสงฆ์ได้<า>แล้วอันนี้เป็นตัวท่านเรื่องอะไรท่านที่เราไปอ่ะท่านสุาขา ประโยชน์นี้ยังใส่มานะแต่ว่านะ